พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่ยี่สิบห้ามาคันทิยะสูตรสูตรว่าด้วยมาคันทิยะบริพาชกพระผู้มีพระภาคประทับนาเครื่องลาด ท, ทำด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟของพราหมภาระทวาชโครในนิคมแห่งแคว้นกูรุชื่อกรมมาสธรรมะ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 รัดเล่าเรื่องพระองค์เองผู้พร่างพร้อมด้วยกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลถพระมีปราสาทตสามหลังสำหรับฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนพระองค์ได้รับการบำเรอด้วยดนตรีไม่มีบุรุษเจือปนไม่ต้องลงชั้นล่างของปราสาทตลอดสี่เดือนในปราสาสตรสำหรับฤดูฝนสมัยอื่นทรงทราบความจริงเกี่ยวกับกามคุณดังกล่าวข้างต้น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 จะพยายามเบี่ยงตัวไปทางโน้นทางนี้เพราะการย่างตัวมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความเร่าร้อนมากแต่ที่เคยสำคัญว่าเป็นสุขในการย่างตัวที่ไฟก็เพราะถูกโรคครอบงำา 4. คนเป็นโรคเรื้อยิ่งเก่ายิ่งย่างตัวปากแผลก็ไม่สะอาดยิ่งขึ้นมีกลิ่นเหม็นยิ่งขึ้นเน่ายิ่งขึ้น